พึงพากันตั้งใจตั้งใจไว้ภายในมีสติกำกับไว้ไในเช่นนั้นแล้วจิตไม่อยู่มันจะฟุ่งไปทางนอกการปล่อยจิตให้ฟุ่งไปข้างนอกมันทำให้จิตอ่อนแอ มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็ชอบจะวันไว้ไปตามเพราะฉะนั้นะพระพุทธเจ้าจึางทรงสแสดงไว้ในบทพระธรรมคุณอนาโอปะนยิโกพระธรรมของพระพยุภาคเจ้าควรน้อมเข้ามาภายใน ไม่ควรส่งออกไปข้างนอกเพราะคำสอนของพระองค์พระองค์สอนให้เข้ามาเพ่งดูธาตุสี่ขันห้าอันรวมเรียกว่ากายใจนี่เพราะอะไรละ่ะจึงทรงสอนอย่างนั้นที่ทรงสอนอย่างนั้นก็เพราะพระองค์รู้ว่า คนทั้งหลายนั้นไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงจึงได้หลงยึดหลงถือเอาขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อยึดถือเอาจริงเหล่านี้แล้วมันไม่ใช่ยึดถือเอาไว้เฉยๆนะมันยังก่อให้เกิดกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปด ขึ้นในใจมากมายกิเลสมันกรปวนปั่นจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนกิเลสนี้มันหาความสงบไม่ได้ซึ่งกงกันข้ามกับความไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจในีสงบ หายกังวลต่างๆอันกิเลสนั้นมีแต่ทำใจให้วุ่นวายกุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนี่มันกงกันข้ามอย่างนี้ทีนี้ความสุขที่แท้จริงที่บุคคลจะเป็นสุขยั่งยืนเสือไปนั้นได้แก่ความสุขเกิด จากความสงบใจความสงบใจนี่แหละเป็นสุขอันยอดเยี่ยมเป็นสุขสม่าเสมอไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องเป็นความสงบที่ได้กลั่นกรองมาแล้วนะได้พิจารณาเ ย, ยบคลายมาแล้วด้วยอุบายปัญญา เห็นแจ้งในสังฐานทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วจริงได้ปล่อยวางจิตจึงสงบลงขั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นสุขมากมเพราะมันได้พิจารณาเห็นรอบครอบแล้วมันไม่กังวลแล้วปล่อยวางแล้วใน จ, จิตมันถึงรวมลง เทลิตที่ไปเพ่งข่มไว้เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นถุกแต่เวลาจิตสงบอยู่ทะนั้นคันเมื่อเวลากิเลสมันโกรใจเข้าก็สู้เอานาจ ก, กิเลสไม่ได้จิตใจก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเหมือนเดิมดังนั้นที่น่าดูจิตใจของตัวเองทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรอย่างที่ แสดงมาเนี่ยมันสงบอยู่ได้นานหรือว่ามันสงบอยู่ได้ประเดียวประดาวแล้วมันก็ถอนไปเมื่อรู้ว่าจิตของตนสงบไม่นานมันถอนไปตามอารมณ์ต่างๆเช่นี้ก็ถือว่าจิตนี้ยังไม่ได้รับการฝึกสอนเต็มที่ ยังการฝึกสอนจิตใจนี่ยังอ่อนแออยู่ไม่แข็งแรงพอดังนั้นน่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วแล้วก็เพิ่มความเพียรเข้าไปเพิ่มความพยายามเพื่อให้ใจมันสงบอยู่ได้นานพูดอย่างนี้คล้ายๆกับว่าจิตมีสองดวง แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตดวงเดียวนี่แหละจิตสอนจิตก็ว่าได้จิตฝึกขนจิตเองนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่จิตมีสองดวงนะเมื่อเข้าใจอันนี้มันก็สั้นเข้ามาบว่านี้นะ ม, นมารู้ตัวได้ คือ ร, รู้รู้ตัวจิตจิตที่แท้จริงนี่แหละเมื่อจิตรู้จิตจิตควบคุมจิตเองมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานบบบนี้บางคนก็ว่าภาวนาจิตไม่โยต้องดึงเข้ามาอนไม่ใช่นะ คาว่าจิตไม่อยู่นั้นนะหมายความว่าจิตส่งกระแสของตัวเองเที่ยวเล่ล่อนไปหาอารมณ์ต่างๆภายนอกกระแสจิตหรือว่าเจตสิกต่างหากที่เลื่อนลอยไปแต่ดวงจิตแท้ๆเราไม่ได้ล่อนเลื่อนลอยไปไหนอยู่ที่เดิม อาศัยกระแสของตนตังหากมันพุ่งไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าอย่างนี้แหละเวลาต้องการแสงมันสว่างมันก็ไปกดสวิตช์เท่านั้นไฟจะวิ่งเข้าหลอดเลยเกิดแสงสว่างขึ้นก็ย่อมมองเห็นอะไรต่ออะไรชัดเจน อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยเมื่อเราทำใจให้สงบแล้วต้องการอยากรู้สิ่งใดก็นึกคิดขึ้นมาความรู้อะไรมันก็เจ็มกระจ่างขึ้นอย่างนี้นะเช่นอยากรู้จากทุก ค, คำว่าทุกนี่ย่อมปาร ก, กันอยู่ทั่วโลก และการะดินลนไปตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าไม่รู้แจ้งในทุก์ตามเป็นจริงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พิจารณาดูอาการของทุก์อาการของทุกมันมีหลายอย่างทุกเกิดจากความแก่เช่นนี้มันก็ ทุกเพราะร่างกายอ่อนแอจะลุกขึ้นแต่ละทีก็แสนยากลุกขึ้นแล้วเดินไปจะเดินไปไกลก็ไม่ไหวเหนื่อยฉั้นอาหารก็ไม่ค่อยมีรสอร่อยนอนก็หลับนิดหน่อยนี่เรียกว่าอาการของความแก่ อาการของความเจ็บมันเจ็บน้่นปวดพี่เจ็บหัวปวดท้องปวดเอวเจ็บเส้นตามแข้งตามขามันเจ็บตรงไหนจิตก็ไปรับรู้อยู่ตรงนั้นเมื่อไม่รู้เท่ากับวุ้นวายเดือดร้อน กบนพี่ไร่ลำพันธ์ว่าทุกหนอทุกหนอเพราะมันจนบรรัญญาไม่ทราบจะทำอะไรกับความทุกนี้แต่แท้จริงแล้วพระศาสดาทรงสอนให้รู้เท่าทุกตามเป็นจริงเพราะเมื่อขันธ์หน้านี้ยังมีอยู่ตราบใด ทกุก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อยังอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดจะไม่ให้รู้จักความทุกข์ความวุ่นวายเดือดร้อนไม่มีมันต้องได้รับรู้อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้เท่าละไม่ได้ทุกเมื่อกันหน้ายังมีอยู่ ตราบใดทุกนี้ก็ไม่อยู่อย่างนั้นทุกนี้มันเกิดจากขันห้าอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างหนึ่งนี่เดียวาทุกกายทุกใจนั้นได้แก่ใจยึดถือเอากิเลสตัณหาไว้ถึงข่าวมันจะทำความเดือดร้อนให้มันก็ เกิดขึ้นในจิตใจนี่ปั่นจิตให้วุ่นวายพุ่งสร้างเลื่อนลอยไปเมื่อระงับกิเลสที่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์้ายนี่แหละทุกข์ใจนะทุกข์ใจเพราะละ ก, กิเลสไปได้สะสมกิเลสขึ้นในใจมันสะสมความโลภขึ้นมา เป็นเดตุดใ้จิตเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนี่มันมีตกไปในความโลภมันก็เป็นเช่นนั้นนะทาให้จิตเพ่งออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยไปจิตเพ่งไปในความโกรธลูกใจคนใดมาแสดง ความไม่ไม่ไม่ให้พอใจให้โกรธเช่นนี้นะบางลายมันก็หายเร็วก็โกรธเกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็หายแต่บางลายยึดเอาความโกรธนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางมันก็ไม่หายเร็วแม้ไปไหนนึกได้มาเวลาใดใจก็ขุนมัวกับบุคคลผู้นั้น เข้าไปทันทีถ้าได้เผชิญหน้ากันยิ่งไปใหญ่บว่านี้ในทะเลาะกันทุบกันตีกันก็มียิงกันตายก็มีนี่แหละความโกรธนี่เป็นโทษอย่างร้ายแรงทำให้ทุกข์ใจร้ายเป็นเนตได้ทำบาปเหียดเบียนบุคคลอื่นแลสัตว์อื่นก็เพราะความโลภความโกรธนี่แหละเป็นมูลเหตุ ผู้ภาวนามันต้องกำหนดรู้อย่างนี้พอมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะได้บรรเทาความโลภด้วยการให้ทานบรรเทาความโกรธ ด, ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตากรุณาทำจิตให้เปียมอยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมเมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นแล้ว ความโกรธมันก็ถอยออกไปจากดวงจิตนี้และความเคารพในศีลด้วยมันจะด่าผู้อื่นก็กลัวศีลจะเศ้ามองศีลจะขาดจะไปทุกไปตีคนอื่นก็กลัวศีลมันจะขาดเมื่อมันนึกได้อย่างนี้เลามันก็ไม่ยอมทำบาปเลย ไม่ ย, ยอมเบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละเหตุแห่งทุกข์นั้นคือตัณหาอยากโลกตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงตัณหาเหล่านี้ในวันเป็นเหตุให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทั้งในปัจจุบันนี่เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็ไปเป็นทุกข์อยู่ในโลกหน้านั้นแหละ เพราะว่าจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่หลายดวงอะไรดังนั้นคําว่าทุกข์ใจนํานเปนอย่างนี้แหละพนาณาไปแล้วมันมากมายเหลือเกินนะแต่เท่านี้ก็คงจะพอได้เข้าใจได้แล้วว่าความทุกข์ใจเ ป, เป็นอย่างไรมาจากอะไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่เพ่งเล็งแล้ววันนี้ควบคุมจิตตัวเองไม่เพ่งไปในสมบัติพวกอื่น ไม่ให้เพ่งไปในบุคคลที่ตนโกรธตนเกลียดชังเพราะการเพ่งไปอย่างนีน้มันเป็นกรรมเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเราจะเห็นได้คนบางคนที่เกิดมาในโลกนี้นะคล้ายๆกับว่ามันเอาศัต ร, ถถมรูมาพร้อมบางคนนะนนเกิดมา แล้วไม่อะไรมีศัตรูแล้วนะมีศัตรูคอยเบียดเวียนแล้วอย่างนี้แหละเป็นทางนี้ก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะตนได้ผูกใจเก็บกับคนอื่นมาแต่ก่อนนูน่นไม่เพียนละเพียนถอนมันกิเลสดน้นมันเลยติดตามมากรรมวิบากเ่าแล้วนะเพราะเกิดมาชาตินี้ กรร ม, มกิเลสนั้นจึงโดนบันดาลให้ทะเลาะวิวาดกับใครต่อใครด่าดไปใครทำอะไรขวางหน้าไม่ได้เลยมิถ้โกรธทั้งนั้นอดไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์ได้อย่างไรบ้าง น, นี่นี่นนนนแหละพระทิฏฐานว่าทุกข์ใจ ทุกเพราะสะตัวเองอสร้างกิเลสขึ้นเขาตนเองให้เดือดร้อนไม่มีใครเข้ามาทําให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนนะถ้าคนอื่นทําให้ก็แสดงว่ามันมีสายเหตุเนื่องกันกับต น, นเนี่ยทุกคนตรงพี่นะมันเห็นถ้าไม่มีสายเหตุใดหนึ่งเนื่องกันมานี่คนเราจะไม่เบียดเบียนกันเลย เป็นอย่างนั้นเราถ้าไม่มีเหตุดีเกี่ยบพันกันมาคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็จะไม่เป็นมิตรเป็นสหายกันได้ไม่เป็นญาติพี่น้องกันได้เลยกันนี่พ่อเหตุว่าชาตอก่อนโน้นผู้นั้นได้ทำความดีร่วมกันมาได้สังคมกันในทางที่ดีมา ยินดีในความประพฤติดีของกันและกันเพราะเกิดมาชาตินี้มันก็บุญกบันดาลให้พบกันอีกให้เริ่มใสต่อกันและกันชักชวนกันทำความดีว่านี้นี่หละทีว่าเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไม่ใช่มันมีแต่ชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น มันมีมาแต่ชาติผลหลังนู่นมันติดสอยห้อยตามมามันมาโดนบันดาลให้จิตวันไหวไปมาต่างๆวนี่ดังนั้นเนี่ยเราต้องสาวหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้พบทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันเมื่อเราพบแล้วว่าความโรคความโกรธความหลงนี่นะ เป็นมูลเหตุให้เกิดทุกขนาประการคือเป็นมูลเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมชั่วนั่นแหละหลายกว่าความกรรมดีคนที่ไม่รู้แจ้งนะมันเป็นอย่างงั้นดังนั้นน่ะก็พระรเจ้าจึงสอนให้อบรมจิตใ ห, ให้มันเข้าถึงความสงบ เมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันเกิดปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นความทุกข์ในขันธวิบากอันนี้มันทุกข์เพราะเหตุว่ามันมีชาติคมเกิดอยู่พอเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ไม่หยุดดิ่งอยู่ได้มันก็จเจริญขึ้นไปสุดขีดของมันแล้วมันก็เริ่มเริ่มเสื่อมลง แังนั้นชีวิตนี้เวลาอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มนั้นจึงไม่ค่อยรู้จักทุกข์เพราะร่างกายกำลังเจริญเติบโตขึ้นจึงขยันขันแข็งเต็นสามสองออกสามวาได้ทีพอถึงวัยชราเข้าไปแล้วเอาแล้วร่างกายที่เคยแข็งแรงมาแต่ก่อนก็อ่อนแอลง ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนได้แต่ก่อนโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียนเพราะภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงอยู่บันนี้เมื่อภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงตอนวัยชราเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บก็ชอบเบียดเบียนวันนีน้นั่นแหละแล้วบุคคลผู้ได้รับ นิจเดชของกิเลสอย่างว่านั้นก็ไม่รู้เท่ากับเดือดร้อนนะครวนครางจิตก็แปรปรวนไปต่างๆนานายับยัง้งจิตไว้ไม่ได้ทำให้คนเรานะนะั่นทำความชั่วได้ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงเลยเมื่อจิตใจมันสะสมกิเลสไว้มากๆแล้วนะ ย่อมแปรไปในเรื่องราวที่ไม่ดีนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราเพราะนั้นต้องพิจารณาให้ดีเมื่อเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วโมหะความหลงความไม่รู้ต่างหมดนั้นมันก็ดังงับไปความรู้ก็เกิดขึ้นมาแทน ก็รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็รู้จักทุกข์ดังกล่าวมานั้นนะรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละก็อาศัยตัณหาตัวเดียวนั่นแหละอันมันเป็นเหตุให้จิตใจคนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่นะเอ้าวทำไมยังว่าตันหาตัวเดียวเอ้าตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธ ตัณหาอยากหลงเนี่ยมันอยากมันยังค่อยเป็นไปได้มันจึงสร้างกิเลสนี้ขึ้นในใจถ้ามันไม่อยากแล้วมันมันจะไม่สร้างขึ้นเลยเช่นอย่างว่ามันไม่อยากโลภอย่างนี้นะมันก็ไม่คิดที่จะเพ่งเลงไปอยากได้สมบัติปู่โนเป็นขอ้อตนเพราะนั่นเป็นทางแห่งความทุกข์รู้ชัดตามคําสอนของพระเถรเจ้าแล้ว เป็นทางไปสู่ทุกข์ก็จึงหายอยากไปเมื่อรู้ว่าเป็นทางไปสู่ทุกข์แล้วนี่พอไม่เพ่งเล็งไปเมื่อไม่เพ่งเล็งไปแล้วความโลภมันก็หายไปมันก็ไม่เกิดขึ้นอความโกรธก็เหมือนกัน <c oughs> ก็จิตนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาอืมันถึงมีตัวเองอสร้างกิเลสขึ้นเผาใจ ตัวเองให้เดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวรู้อยู่แต่ไม่มีอุบายจะละมันก็มีปล่อยให้มันโกรธไปอยู่นั่นนะ่ะจนสุดเหี่ยงของมันไม่มีอุบายที่จะสอนใจให้ละนี่แหละเรื่องของเหตุแห่งทุกข์นะให้พิจารณาเอาแต่ถ้าผูใ้ใดมีอุบายปัญญานะ่ะ รู้สึกตัวแล้วก็อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปความโกรธนี่เป็นทานแห่งความทุกข์แน่นอนก็โกรธมาแล้วมันขาดเมตตาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นฆ่าได้เตีได้ด่าได้อะไรต่ออะไรพวกนี้สุดแล้วแต่มันได้โอกาส อย่างใดก็อเอาอย่างนั้นอืมนี่เรื่องของความโกรธดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ทําบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นได้ดันั้นความโกรธจึงชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันหนึ่งเมื่อมันอยากโกรธมันก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะมันก็เป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์กระบาดนี้ถ้ามันไม่อยากแล้วมันเห็นโทษของ ความโกรธนั้นแล้วไม่มันจะยุติเลยความโกรธก็เกิดไม่ได้เมื่อมันมันไม่อยากโกรธนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะตัญหายอยากหลงมันทำให้จิตใจนั่นเห็นผิดเป็นชอบอยากพุ่งซ่านอยากท่งกิจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆคนเขาพูดผิดเห็นผิด มาพูดให้ฟังก็เอ๊ะเห็นว่าคำพูดของผูนี้มันเหมาะว่องไวดีฉลาดเฉลียวดีเห็นจะเป็นความจริงความคิดความเห็นอันนี้นะเห็นเห็นว่าผู้นี้มีปัญญาดีอก็หลงเชื่อไปเชื่อไปในทางที่ผิดอย่างนี้นะทางผิดทางอะไรอ้าวทางผิดก็ คือเห็นว่าทำบุญไม่ในบุญนะทำบาปไม่ในบาปปฏิเสธไปหมดนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีอริพานก็ไม่มีอย่างนี้นะท่านเดียวว่าเห็นผิดผู้ที่เห็นผิดไม่ดิ้งถึงขนาดนี้ก็เห็นว่าตนจะเป็นสุขได้ ตนจะเป็นทุกข์ได้ก็เพราะสิ่งภายนอกมโนบรรดาให้เป็นไปอย่างนี้แหละเหตุนั้นคนทึงได้ทำการเส้นการบวงสวงบูชาโดยด อ, อยกไม้ทูกเทียนบ้างด้วยสัต์ต่างๆบ้างด้วยเนื้อสัตว์นั่นแหละอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือมาช่วยตน ในพ้นทุกคพนภัยพ้นความขัดขอ้องต่างๆในโลกนี้อันนี้เราออเป็นความเป็นผิดอย่างอ่อนอยู่อย่างแก่ก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละนะครับลงไปแล้วอย่างนี้มันก็จะมองเห็นได้จะมองเห็นว่า สวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกทำใจให้สบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วมีจิตเบิกบานอยู่ด้วยบุญด้วยคุณความดีที่เราทำมาส่วนอารมณ์อันอื่นนั้นละหมดอย่างนี้นะมันก็สวรรค์อยู่ในอกแล้วสบายใจนรกอยู่ในใจปล่อยใจให้กิเลสมันเผาอย่างว่านั้นนอ ให้เราร้อนอย่างนี้นะอเดือดร้อนอยู่ทัางวันนัางคืนมันก็เป็นนรกเลยอันนี้ดังนั้นการที่เรามารู้เท่ามาเห็นว่าไม่เที่ยงเพราะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วดับไปได้นรกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่สร้างมันขึ้นมาซะไม่ยึดถือกีเลนตันหาไว้อย่างนี้แล้ว ทำใจสงบลงเป็นหนึ่งรู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนทำจิตให้เป็นอุเบกขาลงไฟอย่างนี้ทำได้อย่างนี้แล้วก็นรกก็ไม่มีแล้วสวรรค์ก็อยู่ในจิตใจนี้แล้วนี้พอทำใจให้เลิกให้ประเสริฐแล้วก็เป็นสวรรค์เมื่อสวรรค์มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว โลกหน้านนก็มีถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจนี้แล้วโลกหน้าก็ไม่มีสวรรค์อ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยขอให้พากันทีนพิจารณาให้รู้ให้เห็นทําลายความหลงความเข้าใจผิดจากคําสอนของพระเจ้าให้หมดสิ้นไปให้ปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมคือรู้เท่าทุกตามธรรมดา แล้วก็ละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆอละที่จิตใจนี้เองเมื่อตัณหาความอยากมันดับไปก็รู้ว่าอ๋อทุกข์มันดับไปเพราะดพอละตัณหานี้ผ้าเพียนไม่ยามอยู่ไม่ท้อไม่ถอยความผ้าเพียรนี่แหละเป็นทางดําเนินเป็นมรรคปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับดับทุกข์ ดังแสดงมา